เพื่อสรุปความสําคัญและความดีเด่นของปัญญาขออ้างพุทธพจน์ในปุกพารามสูตรที่หนึ่งสั่งยุตนิกายมหาวาระวักว่าภิกษุทั้งหลายเพราะเจริญเพราะกระทําให้มากซึ่งอินทรียีกี่อย่างหนอภิกษุผู้ขีหนาศบจึงพยากรณ์อรหัตผลรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้ว สิ่งอื่นที่จะต้องทำเพื่อเป็นอย่างนี้ไม่มีเหลืออยู่อีกเพราะเจริญเพราะกระทำให้มากซึ่งอินทรีย์อย่างเดียวภิกษุผู้ขีนาศพย่อมพยากรณ์อรหัตผลได้อินทรีย์อย่างเดียวนั้นก็คือปัญญอินทรีย์สำหรับอริยสาวกผู้มีปัญญาศรัทธาอันเป็นของคล้อยตามปัญญานั้นย่อมทรงตัวอยู่ได้ วิริยะสติสมาธิอันเป็นของคล้อยตามปัญญานั้นย่อมทรงตัวอยู่ได้อินทรีย์อื่นๆคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิลำพังแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็ดีหรือหลายอย่างรวมกันแต่ขาดปัญญาสิเพียงอย่างเดียวก็ดีไม่อาจให้บรรลุผลสาเร็จนี้ได้ในปัทสูตรสังยุตติกายมหาวารวัก มีพุทธพจน์ที่แสดงบทธรรมที่เป็นไปเพื่อความตัดสู้ดังนี้ภิกษุทั้งหลายรอยเท้าของสัตว์บกทั้งหลายชนิดใดๆก็ตามย่อมลงในรอยเท้าช้างได้ทั้งหมดรอยเท้าช้างเรียกว่าเป็นยอดของรอยเท้าเหล่านั้นโดยความใหญ่ฉันใดบทธรรมทั้งหลายอย่างใดๆก็ตามที่เป็นไปเพื่อตัดสู้ บทธรรมคือปัญญินีเรียกได้ว่าเป็นยอดของบทธรรมเหล่านั้นในแง่การตัสรู้ชั้นนั้นจบบทที่สิบสอง